สิบสองสัตธิวิหาริกวัตตะกถาว่าด้วยวัตปฏิบัติในสัตธิวิหาริกสมัยนั้นพระอุปชาทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในสัตธิวิหาริกทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อย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 อุปชาทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในสัตว์ทวิหาริกทั้งหลายจริงหรือพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในสัตว์ทวิหาริกทั้งหลายแก่อุปชาทั้งหลาย โดยที่อุปชาทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัตทีวิหาริกทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอุปชาพึงประพฤติชอบในสัตวทีวิหาริกวิธีประพฤติชอบในสัตวทีวิหาริกนั้นมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายอุปชาพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตทีวิหาริก ด้วยอุเทธปริปุจฉาโอวาทและอนุสาถ้าอุปชามีบาทสัตธิวิหาริกไม่มีบาทอุปชาพึงถวายบาทแก่สัตธิวิหาริกหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบาทพึงเกิดขึ้นแก่สัตธิวิหาริก ถ้าอุปชามีจีวรสัตทิวิหาริกไม่มีจีวร อ, อุปัชาพึงถวายจีวรแก่สัตทิวิหาริคหรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอจีวรพึงเกิดขึ้นแก่สัตทิวิหาริคถ้าอุปชามีบริขารสัตทิวิหาริคไม่มีบริขาร อุปชาพึงถวายบริขารแก่สัตว์ที่วิหาริกหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบริขารพึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ที่วิหาริกถ้าสัตว์ที่วิหาริกเป็นไข่อุปชาพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถวายไม้ชมระฟันน้าล้างหน้าปูอาสนะ ถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่อสัตวิวิหาริกฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บงำไว้เมื่อสัตวิวิหาริกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บท่าที่นั้นรก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 ไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียมเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่อสัตว์ทวิหาริกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บพึงเก็บน้าล้างเท้า ต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าท่าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าสัตวิวิหาริกต้องการจะส่งน้ำพึงจัดน้ำสงถวายถ้าเธอต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นให้ถ้าเธอต้องการน้ำอุ่นพึงจัดน้ำอุ่นถวายถ้าสัตวิวิหาริกต้องการจะเข้าเรือนไฟ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 พึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วพลัดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวสัตวิทวิหาริกถวายผ้านุ่งสังคาติถือต่างสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าต่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายสัตว์ทวิหาริกสัตวิทวิหาริก อยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นศ ก, กประกถ้าสามารถพึงชําระให้สะอาดเมื่อจะชําระวิหารให้สะอาดพึงขนบาทและจีวร อ, ออกก่อนวางไว้หน้าที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางไว้หน้าที่สมควรเตียงต่าง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 ผู้หมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึง่งพึ่งแดดชำระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึงพ่งพึ่งแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึ่งเก็บบาดและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตัง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 ถ้าบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟวัดจักุดูดีพึงปัดกวาดถ้าน้าฉันน้าใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อน้ำชำระไม่มีพึงตักน้ำใส่หม้อชำระถ้าสัตว์ทีวิหาริกเกิดความไม่ยินดีอุปชาพึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมมถาแก่สัตว์ทธิวิหาริกถ้าสัตวทธิวิหาริกเกิดความรำคาญอุปชาพึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมมถาแก่สัตว์ทธิวิหาริกถ้าสัตวทธิวิหาริกเกิดความเห็นผิดอุปชาพึงให้สละเสีย หรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่สัตว์ทีวิหาริกถ้าสัตว์ทีวิหาริกต้องอาบัตดหนักควรแก่ปริวาทอุปัชาพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาทแก่สัตว์ทีวิหาริกถ้าสัตว์ทวิหาริก ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมอุปชาพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงชักสัตถิวิหาริคเข้าหาอาบัตเดิมถ้าสัตถิวิหาริคควรแก่มานัตอุปชาพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้มานัตแก่สัตถิวิหาริค ถ้าสัตวิวิหาริกควรแก่อัพานอุปชาพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสง์พึงอัพานสัตว์ิวิหาริกถ้าสง์ต้องการจะทํากรรมคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปปพาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุกเขปนียกรรม แก่สัตทิวิหาริกอุปชาพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทํากรรมแก่สัตทิวิหาริกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าสัตทิวิหาริกได้ถูกสงลงตัชนิยกรรมนิยสกรรมปัปพาชนิยกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุกเขปนิยกรรมแล้ว อุปชาพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสัต ธ, ธิวิหาริกพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเยื่ยิ่งพึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของสัต ธ, ธิวิหาริกจะต้องซักอุปชาพึงบอกว่าพึงซักอย่างนี้หรือพึงทำการขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวรของสัตวิทวิหาริกถ้าจีวรของสัตว์ทวิหาริกจะต้องตัดเย็บอุปชาพึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บจีวรของสัตวิทวิหาริก ถ้าน้ำย้อมของสัตวิวิหาริกจะต้องต้ม อ, อุปชาพึงบอกว่าพึงต้ม อ, อย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้งนมน้ําย้อมของสัตวิวิหาริกถ้าจีวรของสัตวิวิหาริกต้องย้อมอุปชาพึงบอกว่าพึงย้อมอย่างนี้ หรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงย้อมจีวรของสัตวิวิหาริกเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหยาดน้าย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปถ้าสัตวิวิหาริกเป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าสัตว์ทวิหาริกนั้นจะหายภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในสัตว์ทีวิหาริกสำหรับอุปชาทั้งหลายโดยที่อุปชาทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัตว์ทวิหาริกทั้งหลาย ทุติยภานวาลจบ